สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เครอพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนรทมเนียมอินอีกเช่นเคยค่ะดืนสุดท้ายของการรับราชการของใครหลายๆคนซึ่งบางคนก็บอกอาถึงวันนี้สะทีจะได้ไปอยู่กับครอบครัวไปทำกิจกรรมที่ฝันเอามานานแล้วแต่อีกพวกหนึ่งก็ยังอาลัยอาวรณ์กับความสุขที่ได้ รับใช้ราชการรับใช้ประชาชนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็สามารถทำงานให้กับแผ่นดินได้เหมือนเหมือนกันถึงแม้ว่าบทบาทหน้าที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับข้าราชการทุกท่านชีวิตวัฒนธรรมก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเดือนนี้คงจะเป็นเดือนที่แม่ถ้าบอกวัฒนธรรมนี่เขาคงต้องเลี้ยงส่ง เลี้ยงอำลามีการนัดหมายกันตารางคงจะแน่นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วใช่ไหมคะบางคนบอกโน่นเลยถึงสิ้นปีค่ะคนยิ่งมีคนรักตารางคุณก็จะยิ่งแน่นเป็นธรรมดานะคะชีวิตวัฒนธรรมส่งต่อกันมายาวนานหลากหลายรูปแบบ หลากหลายลีลาหลากหลายสีสันแต่สิ่งหนึ่งที่ชีวิตวัฒนธรรมทาง FM 89.5 สสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีแห่งนี้อยากส่งต่อก็คือชีวิตที่มีความสุขยิ้มให้กันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรไม่ว่าจะเป็นมิติของครอบครัวสังคมชุมชนหรืออื่นใดก็ตามนะคะเรามองหา สิ่งที่เป็นรากรุ่มทางวัฒนธรรมที่เราจับมือกันสารสัมพันธ์แล้วส่งต่ออวดชาวโลกกันไปเรื่อยๆนะคะอยากให้คนทั่วโลกมาเมืองไทยแล้วเห็นสิ่งที่เป็นวิถีไทยเห็นความเป็นไทยไม่ใช่เข้ามาปุ๊บเอ๊ะอันนี้มันบ้านฉันเอาอันนี้ก็บ้านฉันอะอันนี้ก็บ้านฉัน เราคงหลีกเลี่ยงการถ่ายเทวัฒนธรรมไม่ได้แต่เราสามารถที่จะบูรณาการปรับประยุกสิ่งที่ดีของเขาให้เข้ากับสิ่งที่เป็นเราตัวตนของเราได้จริงไหมคะทั้งมืดวันนี้ดิฉันพนนธรทมเนียมอินอยู่เป็นเพื่อนทุกทุกท่านนะคะ ตีสี่ถึงตีห้าขับรถยังมีความสุขและปลอดภัยแล้วก็ขอให้เช้านี้เป็นวันดีๆของทุกท่านอีกวันหนึ่งนะคะมีความสุขกันทุกบ้านทุกครอบครัวเลยค่ะคืนนี้อ๋อเช้ามืดวันนี้ <c oughs> มันจึงเป็นรอยต่อที่ดิฉันก็อดแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้ารำไรรำไรก็ อ, อดพูดถึงคืนนี้ไม่ได้เอาเป็นว่าเช้ามืดวันนี้คุณเบียกควบคุมเสียงและหาเพลงพเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันนะคะ <c oughs> ขอเชิญสร้างเพลง แรกจากคุณบิ๊กเลยค่ะเธอเป็นใครมาจากไหนไม่สําคัญ เมื่อเธอเป็นของฉันฉันก็ต้องรักเธอจะมีชายหลายคนเคยพลนเพอเขาเลือกันเกลอขอเธอจงหยุดแค่ฉันรักไม่หลอกจึงขอบอกว่ารัก ยิงเธออกหักฉันยิ่งรักผูกพันเรายินยอมพร้อมใจรักกันใครจะว่าไม่หวัน่นเพราะว่าฉันรักเธอรักเธอรักเธอหมดใจถึงเป็นชายคนที่เท่าไร ฉันเต็มใจเสมอถึงใครนินทาต่างๆ น, นานาว่าเธอฉันยอมทนเธอรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงเธอเป็นใครมาจากไหนไม่สําคัญเมื่อเธอเป็นของฉันเธอไม่ต้อง อ, อย่ า, อาวอนร้อนใจเลยแก้มแดงถึงเป็นหนุ่มทั้งแทงฉันยอมกินแตงเข่า เป็นชายคนที่เท่าไรฉันเต็มใจเสมอถึงใครนินทาต่างๆ น, นานาว่าเธอฉันยอมทนเสอรักเธอไม่เปลี่ยนแปลงเธอเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญ เมื่อเธอเป็นของฉันเธอไม่ต้องระแวงอย่ า, อาวอนร้อนใจเลยแก้มแดงถึงเป็นหนุ่มทั้งแทง็งฉันยอมกินแตงเทา ที่เคารบค่ะขณะ น, นี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโ ล, โลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 แห่งนี้นะคะดิฉันพนา ร, รมเนียมอินอยู่เป็นเพื่อนคุณถึงตีห้าเลยและค่ะฝนตกกันไหมคะพายุเข้าอีกแล้วนะคะก็โอ้บันก่อนดิฉันไปประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งตกใจ ดีนะคะว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมเนะ่เขาพูดคุยกันแล้วดิฉันได้ยินก่อนว่าอุ๊ยวันนี้ลมแรงมากเนื่องจากทางถนนบรมรชาชชนนีเนี่ยฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นลมก็แรงแถวแถวทางด่วนริมคลองประปานนะคะปิดลิฟต์ไม่ได้ค่ะคะุณผู้ขับรถลมมันวู้วๆๆๆแล้วมันแรงชนดิดที่ดิฉันกดลิฟต์เพื่อจะปิดเนี่ยห้าครั้ง ถ้าไม่ฟังจากเจ้าหน้าที่เข้ามากอดว่าปิดไม่ได้เพราะว่าลมแรงเี่ยดิฉันคงจะตกใจแล้วไม่ยอมขึ้นลิฟต์อีกหลายนาทีแต่พอทราบว่ามันเกิดจากลมก็เลยพยายามกดแล้วกระดันมันขึ้นไปเพื่อนแซวบอกว่าดีนะเธอมันไม่ปิดดีกว่ามันไม่เปิด <c oughs> ก็พอพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ้างงั้นก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากคุณฟังว่าก็ถ้าสมมุติว่ามีเหตุฉุกเฉินที่เราเข้าลิฟต์ แล้วลิฟต์มันปิดเนื่องจากไฟดับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราตกใจเป็นธรรมดานะคะแต่พยายามคุมสตินิดนึงเพราะว่าช่างประจำอาคารเนี่ยนะคะเขาก็จะมีพร้อมช่วยเราอยู่แล้วนะคะประการที่หนึ่งก็คือกดกริ่งของความช่วยเหลือไปนะคะยิ่งเป็นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีช่าง24ชั่วโมงอยู่แล้ว ไม่ว่าลิฟจะไปค้างณจุดไหนช่างเขาก็จะวิ่งไปช่วยเราได้เพราะเขาจะมีกุญแจพิเศษที่ไขแล้วในลิฟต์ก็จะมีอากาศให้เราหายใจได้ถ้าเราไม่ตื่นเต้นมากจนกระทั่งเป็นลมไปซะก่อนพูดจริงไม่ได้พูดเล่นนะก็ตั้งสติค่ะแล้วก็กดกลิ่งของความช่วยเหลือนะคะมันก็จะทำให้เราไม่เหนื่อยแล้วก็อยู่ได้แต่ถ้าเรากังวลดิ้นรนมากๆเราก็อาจจะเหนื่อยนะคะก็ ให้ตั้งสติกันไว้นะคะโทรศัพท์ออกมาบอกคนข้างนอกก็ได้นะคะลิปติดนี่ดิฉัก็เคยเจอไฟดับพรึบมืดด้วยนะคะก็ตกใจแต่ว่าโชคดีที่วันนั้นเนี่ยอาคารที่ดินลิปติดเนี่ยมันมีไฟสำรองเพราะฉะนั้นก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยอาคารใหญ่ๆมักจะไม่มีปัญหาพวกนี้เขาจะมีไฟสำรองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอปัญหาแบบเนี้ยก็ ตั้งสติให้ดีเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะคะตลาดขาดคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องราวที่เป็นทั้งเรื่องราววัฒ น, นธรรมดั้งเดิมสมัยใหม่แล้วก็เป็นไฮเทคเทคโนโลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะชีวิตวัฒ น, นธรรมนั้นไม่ได้ส่องไปข้างหลังอย่างเดียวเราต้องเหลียวไปข้างหน้าด้วยเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เอ่อ อยากชวนคุณฟังไปทำบุญหลายๆคนก็ชอบไปทำบุญนะคะโดยเฉพาะคนที่จะเริ่มว่างเยอะขึ้นใครที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีวัดว า, ารามสถานที่สำคัญสำคัญหลายที่ที่หนึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะอย่างเช่นวัดสวยๆในกรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดพระเชตุพนวัดสุทัศ เนี่ยนะคะแต่อีกวัดหนึ่งซึ่งหลายคนมักจะไปย่านนี้แต่ไม่ค่อยได้คิดถึงเพราะมันมีแรงดึงดูดใจเยอะมากตั้งแต่คำว่าสยามสยามสยามนึกออกใช่ไหมคะสยามน่นสยามนี่สยามนั่นตรงแถวแถวศูนย์การค้าสยามนั่นเองเดินเคยไปวัด ประทุมวานารามนะคะซึ่งหลายๆท่านรู้จักแต่ยังไม่เคยแวะเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ก็ถือโอกาสเชิญค่ะมีโอกาสก็ไปที่วัดประทุมวานารามกันนะคะวัดนี้เขียนปอปลาททหาสระอุมอมา้าไม่มีคําว่าประแต่ว่าบางทีเราก็จะออกเสียงคลื่นเพราะเราชินกับคําว่าประทุมประทุมหรือประทุมก็ดอกบัว น, นั่นแหละนะคะวัด ปฐุมวนารามเนี่ยนะคะก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากฝั่งลาวถึงสามองค์ด้วยกันนะคะคือพระเสริมพระแสนและพระสายพระสายนี้เสือเสือสราอายอยักษ์แล้วมีหนอหนูการันด้วยนะคะความน่าสนใจของวัดปฐุมวนารามเนี่ยอยู่ที่ความเงียบสงบท่ามกลางความคึกคักของเมืองเศรษฐกิจบริเวณด้านหลังของวัดที่มี รายรอบไปด้วยศูนย์การค้าที่ที่นพูดไปเมื่อสักครู่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีสวนป่าพระราชศรัทธาอยู่ด้วยบรรยากาศ ร่มคลีมแล้วก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆมีศาลาพระราชศรัทธาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนศาลานี้ก็ยังเป็นที่ให้ประชาชนมานั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็มีเทปธรรมะเปิดให้ฟังตลอดทั้งวันอีกด้วยนะคะช่วงที่มีการเปิดศาลาพระราชศรัทธาเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปตอนนั้นท่าน พระอาจารย์วรท่านยังเป็นเจ้าอาวาสนะคะก็ได้มีโอกาสกราบนมัสการท่านนะคะแล้วพอกราบพระในวัดปฐุมวนารามเสร็จอาจจะนั่งสมาธิพักผ่อนย่อนใจนะคะแล้วก็ข้ามฝากไปอีกที่หนึ่งก็ไปดูหอศิลวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอยู่ใจกลางเมืองอีกนะคะตรงนี้เขาจัดกิจกรรมต่างๆหลากหลายเรื่องราวทีเดียวนะคะ ก็น่าสนใจเพราะว่าทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ทั้งแสดงศิลปะแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะที่เขาจัดกิจกรรมทั้งทันสมัยแล้วก็มีอะไรที่ชวนให้เราเข้าไปร่วมงานบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพวาดภาพเขียนนะคะแล้วก็ยังมีภาพพยนต์ละคอนวีทีดนตรีวรรณกรรมการออกแบบสร้างสารรค์ต่างๆมากมาย แล้วข้างในเนี่ยนะคะก็ยังมีสินค้าประเภทอาร์ตอาร์ตแล้วก็มีกาแฟาให้จิบแบบชิวๆมีโต๊ะบริการสำหรับนั่งทำงานหรืออ่านหนังสือไว้ให้ทุกคนได้พักผ่อนแล้วก็เป็นดีล่าของศิลปินนะคะที่พร้อมจะคิดงานใหม่ๆได้ในที่ที่อากาศเย็นชําสงบเดินไปมาสองสาครั้งแล้วนะคะก็ชวนคุณฟังที่ ไม่รู้จะไปไหนก็ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากันแล้วนะคะก็แวะไปที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกันได้เราก็จะได้รู้สึกถึงความสุขอีกแง่มุมหนึ่งกลางใจเมืองเลยนะคะแล้วหลายคนก็จะเออเชื่อมโยงรถไฟฟ้าไปโน่นนี่นั่นที่กายังไม่เก็บสตางค์ไปถ่ายรูปสถานีนั้นนี้นู้นที่สวยไปมุดแม่น้าเจ้าพระยากันอ่ะ มีกิจกรรมดีๆในกรุงเทพมหานครกันเยอะแยะนะคะแต่ถ้าใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้พายุเข้าฝนตกบางที่ก็น้าท่วมแล้วบางที่นะคะก็อาจจะเกิดดินสไลด์ถล่มอะไรอย่างนี้ได้นะคะโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยกันเป็นพิเศษดินก็รู้สึกดีใจที่ฝนตกนะคะ ข้าวจะได้ไม่ตายต้นไม้ก็จะได้ชุ่มฉ่ำกันเสียทีแต่ก็ขอให้ระบายน้ำกันไปลงอ่างลงเขื่อนกันทันด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยกันค่ะเอาละค่ะช่วงที่สองผ่านไปแล้วนะคะฟังเพลงเพราะๆจากคุณบิ๊กอีกสักเพลงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ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 จอทีวีขนาดใหญ่และ w i f ฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร0923189887หรือที่แฟนเพจ rmuttinnovation and knowledge center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 ยังมีบ้านประหนึ่งรักเราเปลี่ยนทึ้งใจแล้วทำไมรักมาเปลี่ยนไปใจนอใจ I l a i l a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 ธรรมกับดิฉันพนาธรรมเนียมอินนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตี4ถึงตี5ของวันเสาร์นะคะชาวมืดวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเบิกบานสำรดญใจหลายคนเงนเดิ น, อ, นออกกลับบ้านค่ะกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาครอบครัวนี่คือชีวิตวัฒนธรรมอีกแง่มุมหนึ่งของเราที่มีความรักความห่วงใหญ่ความผูกพันและความกระตันยูเป็นที่ตั้งนะคะเราจึงมีความสุขกันได้จนทุกวัน นนแต่หลายคนก็บอกเงยเดินออกแล้วจ้าไปเที่ยวกันเถอะนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงการไปเที่ยวคนอยู่ต่างจังหวัดก็จะโอกาสน้อยเพราะว่าต้องรอ ง, งานวัดหรืองานของเพื่อนบ้านที่เขาจะมีงานบวชงานศพงานแต่งหรืองานบุญอื่นๆก็จะหามรมาหอระศพมาสมโพสกันจะมีอะไรก็มีหนังมีลิเกมีมละคร มีดนตรีแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เรียกดนตรีกันแล้วมีคอนเสิร์ตเนาะชีวิตเปลี่ยนพอสอบเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนแต่อยากเชิญคุณผู้ฟังไปมองภาพสมัยก่อนนูน้นเด้นไปอ่านเรื่องรามเกียรติพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็มีเรื่องราวของการสมโพธกรุงลงกา กรุงลงกาเนี่นะคะภาพที่สวยงามก็ในบ้านเมืองเรานี่แหละค่ะพระองค์ก็ทรงจำลองเอาจากภาพของความเจริญในกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละนะคะแล้วเราก็ได้เห็นภาพของความสุขสําราญที่พวกยักษ์นะคะเขาไปเที่ยวดูมหกรสพใช่ไหมคะเขาบอกว่าบัดนั้นหญิงชายชาวเมืองท่วนหน้าหนุ่มสาวเท่าแก่ชาราทายก ทายิกาทั้งนั้นรู้ว่าสมโพธธานีต่างคนยินดีเกษเสมสรรแต่งตัวผัดหน้าใสน้ำมันชวนกันมาดูวุ่นไปเดินบ้างยืนบ้างบ้างนั่งรับข้างชกตีผลักใสบ้างสวนร่าหาเฮสำราญใจเพลินไปทั่วทั้งหญิงชาย โอ้ยักษ์ก็มีภาพนี้เหมือนกันนะคะอีกด้านนึ้งก็กล่าวว่าบัตรนั้นฝ่ายหมู่อสูราน้อยใหญ่บ้างกินเหล้ากินแกล้มวุ่นไปเ ม, มาไม่ไม่เป็นสมประดีบ้างเต้นบ้างรำทำเพลงตบมือโฉงเฉงอึงมี่อื้อฉาไปทั้งธานีอสุรีชื่นชมปรีดาเป็นไงคะ คุณวังสมพศกรุงลงกาเมืองยักษ์มีภาพเหมือนคนเป๊ะเลยแล้วก็เป็นคนไทยเสียด้วยนะคะเราจะมองเห็นภาพว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งกับวันนี้ภาพนี้ไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่บริบทของภาพอาจจะต่างกันไปเพราะดิฉันเกิดเมื่อสักครู่ว่าในยุคนั้นพ อ, อนั้นม่อระศพเป็นแบบหนึ่งแต่ยุคนี้พศนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง แต่ต่างกันไหมคะอุ้ยพอ ร, รู้ข่าว่าจะมีสมพจน์นี่นั่นเราก็ตื่นเต้นไปพอไปเสร็จอดกินไม่ได้โดยเฉพาะขี้เล่าก็จะไปหาเล่ากินวันนี้มีไหมคะมีแต่ไม่ได้นั่งกลางแปลงแบบสมัยก่อนโน้นเข้าไปในห้องแอร์ไปผับไปบาร์ไปนูน่นไปนี่วันในคดีก็คือกระจกเงาบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคที่วันในคดีเรื่องนั้นเกิดดังนั้น ภาพของรามเกียรติ์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งส่องสะท้อนภาพมาแบบนี้พอคุณผู้ฟังมาอ่านนวนิยายในพศออนี้อีกร้อยปีผ่านไปเด็กๆมาอ่านโอ้สมัยคุณทวดเป็นแบบนี้เองแต่ก็เป็นสังคมก้มหน้าไปแล้วยุค 4.0 ยุคกี่จีก็ไม่ทราบเลยค่ะแต่อีกร้อยปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะลูกหลานเลนโลอนภัยหน้าเราจะหน้าตาเป็นยังไง จะมีวิถีชีวิตยังไงตอนนี้เรามีรถไฟฟ้ารถมุดดินรถสะเทอนน้าสะเทินบกอูโห و! แล้ววันข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงเขาจะเจริญทางวัตถุไปอีกสักแค่ไหนแต่จิตใจของเขาล่ะคะเรียนห่วงเรื่องนี้นะคะก็เลยมีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังที่เคารพนักค่ะเรื่องของพื้นฐานความสุขที่เราจะปลูกปั้นแล้วก็ ทำยังไงก็ได้นะคะดิฉันชอบใช้คำเนี้ยทำยังไงก็ได้ที่จะให้ครอบครัวเราอบอุ่นแล้วก็มีความสุขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ห mm. ลายคนก็จะโทษนั่นโทษนี่โทษโน่นแต่ดิฉันนะอยากเชิญชวนไม่โทษกันดีกว่าแต่เรามาช่วยกันสร้างสังคมให้มีความสุขหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวของเราจริงไหมคะเราอาจจะเกิดมาไม่เท่ากัน ที่ฉันไม่ได้กวนว่ามันจะเท่ากันได้ยังไงเดนหมายความว่าบางคนรวยบางคนจนบางคนพรั่งพร้อมแต่บางคนก็ขาดไปเสทุกอย่างบางคนสวยหล่อ ม, มากเลยแต่บางคนก็ขี้ริ้วขี้เหร่แถมบางคนพิการด้วยดังนั้นเราสร้างความเสมอภาค ในครอบครัวเรากันก่อนดีไหมคะครอบครัวเราจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือมีพ่อแม่ลูกหรือมีแต่พี่พี่น้องๆก็แล้วแต่แต่ก็มีสองเพศคือผู้หญิงผู้ชายแล้วหลายคนก็ลูกขึ้นมาฉันเป็นผู้หญิงเธอต้องดูแลฉันสิผู้ชายก็บอกฉันเป็นผู้ชายเธอเป็นผู้หญิงเธอก็ต้องช่วยดูแลฉันสิไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าแต่ละบ้านจะมีเสียงแบบนี้อยู่หรือไม่แต่เดนอ่านในหนังสือ ที่เขาเขียนเรื่องสามสัมพันธ์ห้าพุมคุ้มกันสร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นสื่อเอกสารความรู้ทีเ่เราได้รับนะคะมาอ่านแล้วก็มีความสุขเขาบอกว่าง่ายๆมีสามสัมพันธ์และห้าพุ่มคุ้มกันคือสามสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงให้คนในครอบครัวได้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน บนพื้นฐานความเสมอภาคหญิงชายและห้าภูมคุ้มกันจะป้องกันไม่ให้คนในครอบครัวมีปัญหาหรือเกิดความขัดแยง้งอันจะเป็นผลกระทบจากการไม่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชายโอ้โหก อ, หอแปลกดิฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้นะคะคนอื่นเป็นอย่างนี้ไหมคะ เดียนรู้สึกแค่เพียงว่ากลับบ้านแล้วเรามีความสุขเอ๊ววันนี้จะหิ้วอะไรไปฝากคนที่บ้านเอ๊พวพรุ่งนี้วันหยุดเราจะทำอะไรให้คนที่บ้านกินเอ๊ววันนี้ต้นไม้ใบหญาเอ๊ววันนี้เราจะทำมันรู้สึกว่าเราอยากเห็นคนอื่นมีความสุขและเราทำอะไรให้ใครได้เราอยากทำเนาะเขาบอกว่าสิ่งที่จะร่วมกันง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือการที่เราได้ ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ให้เกียรติห่วงใยนะคะยอมรับซึ่งกันและกันเคารพการตัดสินใจของกันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกันร่วมแบ่งปันความสุขความทุกข์ยินดีให้ความสุขด้วยกันใส่ใจหน้าที่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหน้าที่ของคุณมีอะไรผู้ชายก็อาจจะต้องเอ่อให้ความปลอดภัยเนาะเลี้ยงดูสมาชิกทุก คนอะไรอย่างเนี้ผู้หญิงทําอะไรได้บ้างเด็กจะช่วยผู้ใหญ่ทําได้อย่างไรผู้ใหญ่จะดูแลใครได้อย่างไงเราทําได้จริงไหมคะแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีสื่อสารที่ดีไม่ใช่สังคมก้มหน้าแม้แต่จะกินข้าวอาทิตย์หนึ่งมื้อเดียวยังไม่ค่อยจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันพอลงมือพร้อมหน้าพร้อมตากันจะที่บ้านหรือร้านอาหารทุกคนก็กดโทรศัพท์ปัๆ ึือเดนเสียดายเวลาอันมีค่ามากตรงนี้แต่ดิฉันเนะี่ยชอบประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือตรงที่ว่าพอจะกินข้าวทีหนึ่งแหมถ่ายรูปหน่อยอวดคนนู้นคนนี้คนนิดนึงมันมันเป็นเสน่ห์ได้นะคะเดนอะยอมรับเป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จอ้าวันนี้ฉันทำอันนี้เพื่อนก็ส่งมายัว่วน้ำลายเราทำนู่นวันนี้ฉันไปกินนั่นนี่นู่นตรงเนี้ยมันก็ สร้างให้เป็นความสุขได้จริงไหยคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นการสร้างสารรค์นะคะสื่อสารพูดคุยกันบ้างแล้วก็รับฟังให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเปิดใจหรือถ้าเห็นหน้าเขาหงอยหอยซึมๆลองถามดูนะคะมีอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมปลอบใจกันไปนอกจากนั้นก็ต้องรู้สิทธิและกฎหมายโอ้โหอันนี้อัชฉะไปนิดนึงนะคะกฎหมายนี่ดิฉัน เราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดไปอ่านตัวบทกฎหมายหรืออะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าถ้าในบ้านเรามีสมาชิกเยอะๆนะคะเราอาจจะต้องออรู้จักสิทธิหน้าที่กันนิดหน่อยนะคะอ่ะแค่รู้จักคำสองคมนี้ก็พอแล้วแต่ที่สําคัญคือรู้เพศศึกษาของหญิงและชายคุณหวนอย่ามองหน้าดิฉันว่าคุณพนอพูดอะไรโปรหรือเปล่าไม่ใช่แต่เพศศึกษาหมายถึงความรู้เรื่อง ความแตกต่างของเพศยิ่งถ้าใครมีเด็กที่กําลังจะโตเป็นวัยรุ่นร่างกายเขาจะเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างหน้าตาฮอร์โมนจิตใจเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันประคับประคองให้เขาโตขึ้นอย่างมีความสุขแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะการที่เรารู้เรื่องเพศเราก็จะช่วยให้เจ้าตัวน้อยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเติบโตอย่างมั่นใจ รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยและรู้เท่าทันป้องกันตนเองกับครอบครัวไม่ให้ถูกเขาเรียกอะไรละ่ะเออรังแกนะรังแกเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแบบที่เราได้ยินข่าวนั่นแหละนะคะแล้วนอกจากนั้นดูสื่อให้สร้างสารรค์ต้องรู้เท่าทันอิทธิพลของสื่อทั้งบวกและลบเดนถึงบอกไงคะว่าสื่อมันก็เหมือน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ดำวิถีหรือขาวจั้วมันมีทั้งสองด้านดังนั้นเราหยิบประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์จากมันแต่ถ้าเราตกเป็นทาสของมันแล้วล่ะก็ปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าปล่อยให้เด็กเล่นเกมทั้งวันนี่สายตาเสียสมาธิเสียสังคมที่อยู่ร่วมกันในบ้านเสียแน่นอนแต่บางคนเนี่ยบอกว่าอุย้ยลูกฉันดีจะตายอยู่กับโทรศัพท์มือถือไม่ดื้อไม่สน ถ้าปลาก็ไม่กินเล่นเกมแล้วเกมที่ลูกหลานเก่าเล่นปลอดภัยทุกเกมไหมคะเออจุดจุดจุดฝากถามนอกจากนั้นนะคะเราก็ต้องช่วยกันมีหลักประกรันของครอบครัวง่ายๆก็คือรู้จักปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆให้รู้จักออมประหยัดใช้จ่ายที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็ทำบัญชีครัวเรือนนะคะแล้วก็การนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สอนให้สมาชิกดูแลป้องกันตนเองเพื่อความอยู่รอดในสังคมปัจจุบันแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชนนะคะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าออสมาชิกในครอบครัวทำงานแล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆไม่ว่าสหากรณ์ชาวนาขีดสงเคราะห์เนี่ยก็ศึกษาดูซิว่าความเสี่ยงสูงไหมถ้าไม่สูงเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะเพื่อ การออมไว้หวนข้างหน้าก็ได้นะคะนอกจากนั้นเราก็พากันเข้าร่วมเครือข่ายการที่เรามีเครือข่ายนอกจากครอบครัวของเราแล้วหมู Rein ่บ้านของเราชุมชนของเราเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้จักคนอื่นเกิดความรักความสามัคคีเห็นไหมคะว่ามันมีสิ่งดีๆรอเราอยู่อีกมากมายเพียงแต่ว่าพวกเรานะคะอย่าเหนื่อยเกินไปจนลืมสิ่งเหล่านี้ ยาหอมในบ้านนี่เป็นเรื่องสําคัญคุณพนังอาจจะบอกเอา้าคุณพน อ, าอยาหอมไม่ได้เป็นลมทุกวันไม่ช้อยอยาหอมคองดีชัดหมายถึงการที่รู้จักยิ้มมีของไปฝากกันอาจจะไม่ใช่ทุกวนันอ่ะไม่ใช่แปรแวนเพชรเพลาๆแต่เราจําได้ว่าวันนี้วันเกิดใครอา้าววันนี้เป่าเค้กกันหน่อยหลายคนอาจจะบอกคุณพนอนี่คนไทยนะไม่ใช่ฝรัง่งจะมาเป่าเค้กเป่านมครกเป่านมสาลี่แทนได้ไหม ได้ค่ะก็ดิฉันเนี่ยยกตัวอย่างตนเองนิดหนึ่งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเยดีพวกนี้แต่พอในบ้านมีเด็กเด็กเด็กเกอะ่ะเขาไปโรงเรียนโรงเรียนเพื่อน เ, อนเอนก็จะคุยกันบางโรงเรียนเขาก็อนุ ญ, ญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาจัดกิจกรรมได้โดยเฉพาะเด็กที่อยู่โรงเรียนเอกชนเนี่ยพ่อแม่บางคนพอถึงวันเกิดลูกจะซื้อขนม ให้ลูกไปกินกับเพื่อนๆหรือเอาขนมไปฝากครูประจำชั้นแจกเพื่อนๆความไม่เสมอภาคเด็กๆได้รับมาจากโรงเรียนแล้วล่ะค่ะดังนั้นเรามาเติมกำลังใจให้ลูกอ่านสักนิดนึงในร้านสะดวกซื้อริมถนนเนี่ยขนมที่ว่าเหล่านี้อะไรก็ได้เนี่ยถ้าเป็นเค้กเนี่ยอันหนึ่งไม่ถึงห้าสิบบาทก็มีคุณวัาซื้อมันสักอันนึงแล้วก็ ให้กำลังใจอ้าวันนี้เป่าเค้กเป่าเค้กคุณผู้ฟังมองหน้าแล้วก็ดูสายตาของเด็กสิคะเขาจะยิ้มอย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่เขาจะรู้ว่าเรารักเขาเราหาโอกาสอุ๊ยวันนี้วันนี้ใครอยากกินอะไรเป็นพิเศษวันนี้วันเกิดแม่แน่อ้าวันนี้วันเกิดพ่อปะไปกินส้มตําข้างบ้านกันเราทําได้หลายอย่างเลยนะคะเดนอยากจะให้ครอบครัวทุกครอบครัวมีความสุขเพราะ มันคือพลังสําคัญที่จะสร้างสมาชิคในบ้านให้รู้จักแบ่งความสุขนั้นไปให้คนอื่นเรามีความสุขอิ่มเอมเรายิ้มเรามีมิมตรไมตรีสอนให้เขาสูงความสุขและความดีงามไปถึงเพื่อนเราก็จะได้รับความสุขเหล่านั้นกลับมาส่งต่อไปถึงชุมชนห่วงใยไปถึงคนอื่นๆ ประเทศชาติเราอยู่รอดแม้จะเจอภัยอะไรต่างๆเข้ามาถาโถมยังไงก็ตามคนไทยเป็นคนจิตใจดีนะคะเวลาที่ใครเดือดร้อนเห็นไหมคะพี่ไทยมุ่งรวมพลังสู้ไปได้วยกันทุกเรื่องดังนั้นเราก็อย่าลืมเรื่องพวกนี้กันนะคะวิถีไทยไทยงดงามมายาวนานและเราก็ไม่เคยที่จะลืมความรักแบ่งปันให้กัน เด่นเจออะไรดีๆได้ยินอะไรดีๆก็อยากเก็บมาฝากคุณผู้ฟังในชีวิตวัฒนธรรมค่ะเพราะมันคือความเจริญซึ่งเดนอยากให้ทุกคนมองเห็นความเจริญงอกงามในจิตใจของทุกคนเป็นหลักเราอยู่ท่ามกลางกระแสที่มันเปลี่ยนรวดเร็วมากมายเด็กเจนนี้โอ้เข้าไปถึงไหนกันแล้วคะเราตัวเดันเองเนี่ย บอกตัวเองเราจะเริ่มสวแล้วล่ะแต่เราจะปล่อยให้ตัวเองสอวไปตามอายุทุกเรื่องไม่หาควรไหม่นาะคะเราจะต้องทําให้มีชีวิตชีวาแล้วก็เดินเคียงคู่ไปกับสังคมนี้ได้โดยที่เรามีความสุขสุขทุกวันลืมความทุกข์ไปให้ได้ธรรมะแต่ละาศาสนาค่ะจะช่วยให้เรามีสติ เกิดปัญญาแล้วก็เห็นทางธรรมทุกๆศาสนาล้วนสอนให้สมาชิกในสังคมเป็นคนดีเมื่อเราเรียนรู้และเราได้ศึกษาธรรมะคุณธรรมคําสอนของแต่ละศาสนาที่เราเคารพนับถือเราย่อมพัฒนาจิตใจของเราเราย่อมเป็นคนดีและเราย่อมมีความสุขนั่นแหละคะ่ะ แบ่งปันให้คนอื่นได้ง่ายๆเลยนะคะในขณะเดียวกันเดือนก็ชอบพูดเล่นกับเพื่อนๆว่าพนอจะไม่ขอเป็นนางเอกในนิยายน้ำเน่าไม่ได้ดูถูก น, นิยายนำเน่าแต่คนเขาชอบบอกว่านางเอกนางเอกไม่ได้ว่าพนอนะคะหมายถึงเห็นคนที่แบบอะไรก็ยิ้มอะไรก็ไม่เป็นไรอะไรก็ปล่อยปล่อยปล่อยบางครั้งโลกยุคนี้อย่างนั้นไม่ได้จริงๆจะถูกเอาเปรียบ จะถูกตังแกไปเรื่อยๆแต่การที่ดี่ฉันพูดว่าไม่เป็นนางเอกในนิยายนำเนา่าหมายความว่าถ้าถูกใส่ร้ายก็ต้องอธิบายเหตุผลค่ะแล้วก็ต้องหาทางพิสูจน์ความจริงไม่ใช่บอกว่าช่างเถอะใครอยากเชื่อเชื่อไปเดี๋ยวเขาก็รู้กันเองไม่ได้ยิ่งโลกโซเชียลทุกวันนี้กดปึ้งโอ้โหเสียไปไม่รู้เท่าไหร่แต่เราไม่จาเป็นต้องลุกขึ้นมาตีพยตีพายหรือตอบกลับ ด้วยความรุนแรงเหมือนที่เราได้รับสะเทือนใจเพียงแต่เราต้องหาทางหาวิธีและหาโอกาสหาจังหวะที่จะพิสูจน์ความจริงและทำให้ความบริสุทธิ์ของเรากลับคืนมาไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามการที่เราจะแก้แค้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่เราควรทำคือการทำให้เขารู้ว่าเรารู้เท่าทัน และไม่ต้องตอบโต้ในเชิงที่จะทะเลาะวิวาสเหมือนฆ่ากันตายที่เราดูข่าวแต่เราสามารถบอกให้เขารู้ได้ว่าเราก็รู้เท่าทันความคิดแต่เราจะตอบโต้กลับด้วยวิธีแบบใดที่อยากให้รู้ว่าคุณไม่ควรทำร้ายคนอื่นเพราะคนอื่นก็มีจิตใจเหมือนคุณเนาะโอ้ดูจะเป็นโจทย์ที่ยากๆสาหรับ เช้ามืดวันนี้แต่คุณผู้ฟังที่เคารพค่ะชีวิตวัฒนธรรมเราเจอเจออะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสติมาปัญญาเกิดจริงๆค่ะและการที่รู้จักให้รู้จักอภัยแล้วก็ยิ้มให้กันมันมีใชยไปกว่าครึ่งจริงๆนะคะเอาละค่ะเอไอเอเอมาแล้วนะคะก็คือฟ้าเริ่มสางแล้วเสียงนกมาส่งเสียงเจ๊วจ้า ถ้าคุณผู้ฟังฟังดิฉันอยู่ต่างจังหวัดเสียงไก่ก็ขันแล้วล่ะค่ะก็เป็นสัญญาณว่าวันนี้ชีวิตวัฒนธรรมหมดเวลาลงแล้วดิฉันพนอรรมเนียมอินคงต้องลาทุกท่านไปก่อนจะกลับมาพบกับท่านชาวมืดวันเสาร์ตีสี่ในอาทิตย์หน้านะคะแป5สเก้าจุห้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแห่งนี้วันนี้ดิฉันพนอดรมเนียมอิน ผู้ดำเนินรายการคุณบีก๊กผู้ควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันดอกเตอร์กุลกนิททองเงาผู้ควบคุมรายการเราสามคนขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ท่านมีความสุขและปลอดภัยทุกๆครอบครัวสวัสดีค่ะ รายการชีวิตวัฒนธรรมสนับสนุนรายการโดยพิิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่กว่า20ไร่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีจังหวัดประทุมธานีรวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์สอบถามรายละเอียดโทร02 549 3043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 นนอยากรู้นักฟ้าที่เบื้องบนต้องมาร้องไห้เพราะใครหรือฟ้าสงสารคนอย่างฉันถูกหลอกเรื่อยไปถูกเขาลวงเขาล้วงหัวใจเอาไปต้มยำทำแก่ ฟ้ากระนำเสียงฟ้าคำรามดูน่ากลัวน้ำตาฟ้าหลังมารถตัวรถหัวใจฉันจนชาฉันคมผิดหวังมีเคราะกรรมไรวาสนาเขาเลยไม่รักไม่ยอมพูดจาหลอกลวงให้ฉันต้องตรง มันคนซื้อไม่เคยฝึกปรือในเรื่องความรักเพิ่งเคยได้รู้เพิ่งเคยได้ลองเพิ่งเคยรู้จักสุดท้ายต้องมาโ อ, อหักไม่รู้จะดามยังไง ว่าฟ้าร้องหายออกมาให้ฉันฟ้าสงสารและคงผิดหวังที่ชักนำให้ฉันพบเธอน้ำตาที่ไหลจากความตั้งใจไม่ได้พลั้งเผลอชาตินี้เข็ดแล้วนะเออไม่อยากเจอหน้าเธออีก